เลวกายะคตาสติ 1 อานาปานะสติ 1 คือเรื่องสติทั้งนั้นน่ะจริงๆแล้ว แล้วก็มุ่งกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็นี่ก็เป็น พอจับปั๊บตาก็เริ่มๆเริ่มเริ่มซึมๆซึมกระทือ เมื่อมันไม่เป็นน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มัน เพราะนั้นศรัทธาก็ดีสมาธิก็ดีเป็นฝักฝ่ายโมหะโดยมันเป็นพลังเพราะงั้นเราต้องมีเชื้อของ เนี่ยเราต้องใช้ขวานเพราะมันมีน้ำหนักด้วยแล้วมันมีความคมด้วยความคมนั้นเปรียบด้วยความความรู้ครับสติที่จะกำหนดรู้อยู่นี่ทีนี้ มีสมคฤหดีมีสัมปชัญญะดีแต่นั้นเราก็เฝ้าดูตัวเองนะครับไอ้ไอ้เครื่องมือที่ คือหิปตาอยู่หายใจเข้าให้ออกอยู่หรือ มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วค่ะเคลื่อนไหวอยู่แล้วครับดังนั้นเราเฝ้าดูเข้าไปเฝ้าดู พวกผู้อํานวยการที่พูดเน้นเรื่องศีลมากแต่ฟังฟังดูมันมันไปเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเรา สตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ ตัวที่ละจริงๆคืออริยมรรคญาณครับนี่คือที่จริงคือปัญญาเราปฏิบัติเจริญสติเรื่อยๆนะครับเหมือนนั้นหยด อะไรอีก 1 อีก 1 น้ําที่ไหลๆมันเกิดเป็นน้ําเป็นจํานวนปริมาณ พอมันเสาะสมตัวมันเองมากขึ้นต่อเนื่องขึ้นมันก็แปรเป็นพลังชนิดหนึ่งเรียก เห็นเห็นความคิดคิดนึกไปนี่ก็เห็นหนึ่งมันเห็นสภาพซึ่งไม่ได้คิดสภาพถ้วนๆนะอย่างนี้นะครับเรียกว่าเมื่อมี องค์ประกอบของสมาธิทิฏฐินั้นคือ 1, ององ 1. ได้ยินผู้อื่นอธิบายขึ้นอง 2 ที่สําคัญมากก็คือโยนิโสมนสิการที่จริงโยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ว่าเราจําได้ว่ามีความกตัญญูรู้คุณมีจริงนั้นเป็นทฤษฎีธรรมะ การเข้าถึงกระแสนั่นแหละจึงจะเป็นไม่จําเป็นเลยที่ต้องเรียนอะไรมาก นั้นเราเจริญสติเข้าใจได้มากมันมีสติมากแล้ว <c oughs> แล้วไม่ใช่รู้ได้คําพูดไม่ใช่เพราะหาจะถ้าใครเคยทํา 2 ตอนเนี่ยมีมีคําพูดว่าหนอเข้าแล้วหนอ เข้าก็รู้จะพูดเหมือนที่ผมพูดผมมีหน้าที่ต้องพูดตอนนี้เข้าใจมั้ยครับแต่ตอนหาจะเข้าก็รู้อ่าก็รู้เข้าๆครับค่อยๆสังเกตทําดีๆกับตัว อาการปวดหัวมันหัวตะคันตะคอจากการปฏิบัติมันแบบอีรุ่นฉุนชากับตัวเองชอบมักง่ายชอบทํานู้นตามใจอารมณ์แล้วมันส่งผลๆตามธรรมชาติทําไม่ได้เข้า เราจะทําใจตัวเองตามๆคือทําดีๆกับตัวเองเข้าใจมั้ยเราทําดีกับหมากับๆกับมันๆไม่ ก็เห็นๆมันที่นี่ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราๆกับมันที่นี่ก็เหมือนกันมากๆเอาล่ะนอนตึงกอให้ตรงๆเพ่ง รีดาดูพื้นก็ได้แต่อย่าไปดูอะไรครับๆนะหลับตาทีนี้สมอง เขาจะรวบรวมร่างกายให้ท่าที่เหมาะสมนะไปคือต้องรวบรวมกําลังกายครับกายทั้งใจเนี่ย เข้าใจมั้ยรูปรวมความรู้สึกเก็บมาให้ได้เข้าใจเราก็รวบรวมเข้ามา ลองเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองดูอ้าวทุกคนดูความคิดมันผ่านๆใช่มั้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่อง ที่บริหารไปดูแล้วความคิดหายไปเนาะเพราะว่ามันกลายมาเป็นผู้เอออันไหนน้อ เราเพียรทําอย่างนี้รวบรวมความรู้สึกมันบล็อกความคิดเห็นแต่มันสบายดีใช่มั้ยมันจะไม่ เราดูดูมันหายๆเพราะว่าลบเผื่อมันคิดทําอย่างนี้นะฮะมันจะมาถึงวันหนึ่งครับที่ผู้ดูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความคิด มือคน 2 คนในร่างเดียวความคิดก็ยังมี เก็บเรียนหนังสือคิดตรังจนพอเสร็จเรื่องนั้นมันยากกันทันทีมันกลับมาปกติตัวนี้เหมือนกับคนไม่ แต่ปัญหาคือว่าพอเราใช้ความคิดแล้วเราเรานอนไม่หลับคือไม่อยากคิดมันก็คิดยุ่งเลยทีนี้เห็นมั้ยเดินก็คิดนั่งก็คิดทีนี้แทนที่เราจะเป็นฝ่าคิดมันกลับเล่นงานเราอะไรเนี่ยเรียกว่าความคิดมัดตัวคนนั้นๆฟังก็ถูกที่ เมื่อไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่ปฏิบัติจะไม่รู้สิ่งที่ครับสิ่ง 2 ค่ำนี้ต้องปฏิบัติมากๆครับต้องปฏิบัติๆเมื่อจริงๆแล้วเนี่ย แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคําพูดอืมมีคนหนึ่งผมแนะให้ปฏิบัติแค่กระทํา ลุกบิดห้องน้ําครับพอเอื้อมมือมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันตรงนี้ครับความๆรู้ <ม. S 1> พอยืนไปก็รู้ตัวครับหยิบมาก็ก็คือถึงวันเวลาขณะที่จะเข้าใจแท้ถึงขนาดยกระดับชีวิตนั้นเรากําหนดไม่ได้ บางคนฉลาดมากอาจจะรู้ช้าก็ได้ครับเพราะฉลาดคิดบางคนมันๆเพราะว่าท่านฉลาดมากมีปัญญามากก็คิด ผู้เจ้าอุปมางนี้นะครับว่าปฏิบัติธรรมนี้เรา คนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะกินนมโวแต่มันตกไปที่เต้าวัดคนวาหรือแม้แต่บวชนาน ดูดูแล้วคนทั่วๆไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลยคราวนี้ๆเลยธรรมชาติมันไม่ยุติธรรมเลยที่จริงครับแต่ไม่เข้าใจนะครับว่าธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ที่ๆเนี่ยคือติดดีครับธรรมะช้าคือติดดีครับติดดีเข้าใจมั้ยครับตัวเองเนี่ยสูบกูเลยไม่กินเมื่อเห็นเพื่อนกับโมโหมันก็เลยติดโมโหอยู่นั่นแหละเรียกว่าติดดี ดีคือจะปฏิบัติธรรมะที่ต้องไปวัดนั่นแหละต้องนุ่งขาวห่มขาวไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้ พอเป็นมวยวัดไม่มีกติกามีไม่ใช่รายการเพราะเด็กวัดคุณโตบอกว่าเอาเลยมันก็ซัดกันเลย ปฏิการูปแบบไม่มีมีครับรูปแบบไม่มีเวลากําหนดหมายปฏิบัติไม่มีเนี่ยเข้าใจมั้ยทําอย่างนี้ไปเร็วครับแล้ว นี่จะเปรียบทางธรรมเกล้าว่าอะไรคือลูกตางมันคือจริงๆเนี่ยตามธรรมดานะครับนี่จะร่างกาย ดังนั้นมันจะสะสมความเมื่อยขบนั่งนานๆเดี๋ยวก็เมื่อยขบขึ้นมาเราๆเรื่องนี้ๆทําแล้ว หือยิ้มนิดกับตัวเองนะมันยิ้มกับคนอื่นนะนะจะรู้สึกสบายๆเหมือนกับว่าเรานึกถึงตอนที่เราเนี่ยคํานี้จําช่วยจําไว้เวลาเกิดเรื่องทุกข์น้อยใจใครเนี่ยทําดีๆ uh huh. ให้ทําใจดีๆเอะหลับเลยครับเหมือนกับนอนสบายเลยนี่ๆครับยืดไปอย่าพยายามยืดให้ ยืดสบายๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วค่อยๆโน้มๆกับตัวเองๆๆความความเจ็บๆแล้ว ก็รู้สึกสบายดีใช่แล้วเอามือนี้ถาออกไป จะโค้งตัวไปนะครับง่ายๆนะครับ จังหวะนี้ไม่ดีนะครับ